ธรามเทศนหาแผ่นที่94กําลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าจงให้ความสำคัญกับตนเองวันนี้เป็นวันศุกร ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559หลวงพ่อได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่11นาะลูกลานวันนี้เป็นวันที่15แล้วนะีไปหลายวันไปทอดผ้าป่าให้หลวงอาจา ร, รย์หน่อยวัดห้วยชว่วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็ ทอดผ้าป่าเพื่อจะสร้างที่พักพาอาศัยฝ่ายอุบาสิกาที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าวันนั้นก็ได้มากอยู่นะขนาดเศรษฐกิจอย่างนี้กัรวบรวมกันได้เงินทั้ง5 8, นะ้าแสนแปก็มอกเพลวัดของท่านหน่อยหมดนะเพื่อจะดูแลสร้างเสนาสนะที่พักพาอาศัยของฝ่ายอุบาสิกาจากนั้นหลวงพ่อก็เสร็จแล้วก็ ีรถยาวเลยนะลงไปก็ไปพักที่ของวัดรรมสพุงวัดกูบายฉลาดอำเภอในข่อมขามส้อยตั้งแต่วันที่คืนวันที่11นะวันที่12ก็ได้ฉันจังหันที่วัดธรรมสพุงพอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยล้วก็ไปกราบเยี่ยมไปการาบคารวะเจดีย์ของหลวงตาที่จังหวัดร้อยเอ็ดพนานแล้วไม่ได้ไป ก็เลยไปก็ไปพูดคุยกับเจ่าแก่สมหมายที่เป็นเจ้าของคุยนานพอสมควรจากนั้นกลับมาคิดว่าจะขึ้นไปผู้จกอออีกพอกับเจดีหลวงปูร่าภูเจ้ากอที่กําลังซ่อมอยู่เดี๋นี้เราก็ได้จ่ายจะตุปัจจัยซ่อมพระเจดีของหลวงปู่คารเรานอะรที่หลวงพ่อได้พูดข่าวก่อนให้ฟังนะได้ที่ลังลงมือสร้าง กำลังลงมือซ่อมอยู่ก็คิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบล้านเหมือนกันนะแต่เราเขาแต่กองเราได้โอนเขาไปช่วยซื้อโมเสกกับอุปกรณ์กาว 4,6 ่ที่เราโอนเข้าไปให้เป็นการซ่อมพระเจดีย์หลวงปูล่ลานะแล้วก็วัน คืนวันที่12พักที่ทมทมพงศ์วันที่สิบสามเช้าก็มางานนี่แหละที่หลวงพ่อไปงานวันที่13บสานะจุดประสงค์ก็คือวันที่13าเช้าจะไปมอบอาคารโรงเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันโ ร, โรงอาหารมัธยมนะโรงเรียนมัธยมหนองสูงสามกีวิทยาที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟัง เขามาขอจตุปัจจัยขอร่วมการสนับสนุนขอร่วมสมทบหลวงพ่อว่ยังขาดอยู่เท่าไหร่ประมาณล้านล้านห้าเนะี่ยเราก็ได้มอบให้ข้าวก่อนแต่ไปคราวนี้ก็เลยไปมอบให้อีกให้ครบจํานวนที่ล้านห้าข้าวก่อนเจ็ดแปดแสนคราวนี้เอาไปให้อีกเจ็ดแสนะ ก็ร้านห้าครบละแต่ไหเหมาะไปแต่ไปดูอาคารนะโอ้หอาคารหลังใหญ่นะเป็นโรงแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเด็กนักเรียนทานอาหารเด็กนักเรียนก็มากนะแปดเก้าร้อยเนะตรงเรียนมัธยมอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารก็พี่น้องประชาชนจัทายาญาติโยมใส่บาทโอ้โหล้นหลามเด็กนักเรียนก็พอแรงอยู่แล้ว แล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นก็มาเองครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็ห้าสิบสี่รูปนะอพอเสร็จแล้วเขาก็มีกองทุนหลวงพ่อเคยให้ให้กองทุนมาก่อนแต่หลวงพ่อก็ลืมแล้วละ่ะเพราะให้อะไรไปหลวงพ่อไม่ได้จดได้จําอให้ไปแล้วก็ลืมไม่ต้องจำเพราะแล้วให้ไปแล้วก็จบไปให้พวกเขารักษาไปหลวงพ่อก็ให้ไปเขาก็ ตั้งเป็นกองทรูละ แ, แต่คราวนั้นอ่ะข่าวนี้เขาเลยถวายปัจจัยอีกอ่ไปพักไปอยูที่นั้นเขาถวายให้หลวงพ่อเทาลอยแปดหมืกว่าบาทแปดหมื่นสี่วะท่านหลวพอจำไม่ผิดเพรมีตัวเลขอยู่ตรงเออเอาสมทบเขาไปมูลอ่าเขาเป็นทุนนิธิของหลวงพ่อเนาะสาหรับดูแลเด็กนักเรียนมีอะไรก็ น, นั่นอ่ะเอามาใช้ แต่เนี่ยเขาถวายหลวงพ่อองแต่เนี่ยสัตยาธิษฐานรู้จักมรคุณถวายน้ํำกาน้ำหมูกข้าน้ํ า, ามันได้หมื่นกว่าบาทหลวงพ่อสมภพกว่าีได้เก้าหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะเกือบแสนเหมือนกันนะตังเป็นกองทุนที่โรงเรียนนะพอเสร็จแล้วก็มากราบคารวะอรูปเหมือนหลวงอาเจดีหลวงอาหลวงปู่หลวงอาจาะ หลวงปู่จามเป็นหลวงอานะอกบาบคารวะเสร็จแล้วก็ไปวัดของคุณแม่ชีแก้วขึ้นไปแสดงความคารวะในเจดีย์ของคุณแม่ลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่จากนั้นก็ลงมาพบกับชีชีบ้านหยทายก็มีอยู่ยี่สิบสองยี่สิบสองชีนก็มีมากอยู่จากนั้นก็ได้ อบรมหรือว่าพูดแนวความคิดให้กับชีพอสมควรแต่แล้วก็ถวายมอบเปจะถูกปัจจัยให้กับชีด้วยแล้วก็ฆ่าอาหารส่วนกลางให้อีกเนี่ยนะหวงพ่อไปที่ใดก็อดโดยมากมิตรไปให้นะคะัทนะายญาติวงลูกหลานเรามันพอเป็นพอไปอยู่แล้วก็มอบนั้นมอบนี้ให้ไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใจใหญ่ ไม่ได้มอบให้ใจแบบใจใหญ่เพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาห้าสิบล้านบาทจุดนั้นคือจุดที่หลวงพ่อใจใหญ่ไม่ได้ไห้มาเท่าไหร่ก็พยายามเก็บหอมรลอมริบเอาเข้าบัญชีนี่ไว้เหมือนกันเพื่อมาให้มันหนักเมื่อปลายมือถ้าเราเก็บหอมรอมริบแต่ต้นมือ เมื่อปลายมือมันจะไม่หนักไม่ต้องระดมศรัทธาญาติโยมมากเพราะเราเก็บเล็กผสมน้อยไว้อค่อยขึ้นไปทีละเลื่อละน้อยละน้อยละน้อยอนีอแหละวันแบบนั้นหนึ่งเรื่องการก่อสร้างอื่นไกลเราก็ต้องมัดระวังอีกเหมือนกันเพราะในใจของเราจึงมีอยู่เพราะเจดียองค์หลงตายัางไม่ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นไหม อันนี้ก็สุดแท้แต่ทางคณะกรรมการเขาแต่เพียงเราเป็นผู้สนับสนุนท่านัเองอย่างที่ว่าแนละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้เล่าได้กล่าวแล้วก็เมื่อสันจะหั น, นที่หนองสูงเที่ยมคารวะคุณแม่เสร็จแล้วก็มานะมาเขามาพักวัดทันยงอีกเพราะว่าหลวงโมหินโยมต้อยติงโมหินนั่นะเป็นลูกศิษย์ลูกหา กูบายอาจารย์หลงปูหลงตาเราญาติธรรมขอที่มนต์ทำบุญขึ้นบ้านแล้วก็ทำบุญวันเกิดหลวงพ่อกับมาเมื่อวานกับกคณะทันยงทันยงพพกพาในตะแวกนั่นละ่ะสิบกว่าองค์สวดมนต์ันเช้าเสร็จแล้วก็ถวายจตุปปัจจัยส่วนหนึ่งก็ เ, เขาก็สมทบเราก็เอาเข้าเจดีนะ เอาเขาเจดีลุงตาเดิผ้าป่านี่วะก็เลยบอกกับพระหลุกลุกลักลนห ล, ลานของหลวงพ่อทั้งหมดพวกท่านยงพวกท่านเดชพวกท่านเจออยพวกนั้นอบอกบอกท่านยงบอกบอกหมูหนะ่าจะตุบปัจจัยผ้า ป, ป่านี้หลวงพ่อจะเอาเข้าเป็นกองทุนสมทบเข้าบัญชีสร้างเจดีของหลุงตาประมาณแสนกว่าบาทเหมือนกันนะวานเนี่ยนะจุดนั้นคือจุดหนึ่ง จากนั้นก็นมาที่บ้านหัวช้างเมื่อวานนะีมาก็มาพบกับครูบาอาจารย์ตุกษิตุกหาน้องหลวงทั้งหลายจดทายาติโยมพอมาถึงเขาก็ให้หลวงพ่อกล่าวสมหมดธนิยกถาเกี่ยวกับการเป็นมาของโรงเรียนบ้านหัวช้างตำบลโสมเยี่ยมอำเภอนามโสมจังหวัดอุดอรธานีคุณสมบัติเฉลมิมุุทินันเป็นประธานในการ ให้ทุนการก่อสร้างร่วมกับคณะแล้วก็มีคณะวพ อ, อ, อามาเมื่อวานในห้องมากเลยนะเกือบสามสิบกว่าท่านมาจากกรุงเทพกามอบอาคารเรียนเมื่อวานเนี่รู้สึกว่าอบอุ่นพอสมควรแต่พี่น้องชาวบ้านก็มามากอยู่แต่มันเป็นช่วงที่เขาทําไร่ทํานาตรงที่เขากําลังลงนานกําลังยุ่งยากมากแล้วดูๆในช่วงนี้ ใครกันนี้จากหน้านาไม่ได้ก็้าวบ้านไม่ค่อยมากเท่าไหร่เมื่อวานมองมองเห็นมีแต่แขกแขกสมากกว่าเป็นครูโรงเรียนในพื้นที่เขตสี่มาแต่หลวงพ่อก็ได้พูดกล่าวเรื่องราวเสร็จแล้วก็ได้มอบอาคารเรียนเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็กลับวัด แต่ก็อยู่ที่บ้านหัวช้างเนี่ยฝนไม่ตกเมื่อวานเนี่ยก็นัว่าโชคดีมากๆเลยนะถ้าฝนตกลโหดูไม่เจิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันพี่น้องประชาชนกางเต็นท์เนี่ยตยังไงก็เถอะมันก็ยังต้องเปือนเปิดเลอะเถอะแ น, แน่แต่ฝนก็เป็นใจเมื่อวานเนี่ยแต่พอมาออกจากงานหน่อยเดียวเถะนะมาถึงครึ่งทางโอ้ฝนตกเปียกชุ่มชํำไปหมด พอมาถึงใกล้ๆวัดของเราน้ำนองถนนเลยน้ำนองถนนเมื่อวานะที่วัดของเราก็ตกแรงเมื่อวานะพอมาถึงวัดนะแต่ในงานของเขาฝนไม่ตก น, ะนับไปโชคดีมากถ้ามันตกนะดูไม่จืดอย่างที่วานะ่ะมันจะเละตุ่มเป๊ะไปหมดนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สนะิบห้านคณตทาญาติโยมอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นวันเข้าพรรษาวันที่สิบเกเป็นวันอาสาระหบูชาเป็นวันพระใหญ่แต่ตามไม่จริงชาวบ้านเขากลว่าวันที่สิบห้าเป็นวันเข้าพรรษาแต่ตามไม่จริงเป็นวันอาสาระหบูชาเป็นแรมค่ำหนึ่งนะแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาแต่พี่น้องประชาชนโดยมากจะมาวันอาสาระหบูชาเนี่ยเป็นวันและสิบห้าค่ำ ก็ตรงวันกงตรงกับวันที่ส9เกกรกฎาคมปีนี้ปีหนะ้าเก้าแต่ถึงยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในช่วงนี้หลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็พูดไปทางอื่นโค้งไปทางอื่นแต่กระวกมาหาวันเข้าพรรษาอยากจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกคน ให้ความสําคัญกับตนเองไม่ใช่ให้ความสําคัญกับพุทธศาสนานะให้ความสําคัญกับตนเองที่เราได้เกิดมาได้พบพระุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าได้พบโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปรานพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือใครก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆ อันนี้แหะคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นัว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอได้เกิดมาแล้วได้พบโอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอถูกไหมเราก็ยอมรับกันทั่วหน้าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะั้นถูกต้องเป็นธรรมนะในเมื่อเราถูกต้องเป็นธรรมแนละ้วมีแต่เราเท่านั้นเองทีเราจะเดินออย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรตามแนวแถวของ ถ้าทำคำสอนของพุทธะทำแนวทรงคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นนี่แหละให้พวกเรามองตอนเองจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในพรรษาี้ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งคุณงามความดีอะไรจะสร้างคุณงามความดีอะไรจะประกอบคุณงามความดีอะไรในพรรษานี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนทุกๆท่านนะวางแผนเอาไว้ว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำทำอะไรแต่บางคนก็คิดไม่ออกเอจะทํำยังไงหลวงพ่อก็ได้บอกไว้บอกไว้ก่อนแนะแนวไว้ว่าันถ้าคิดไม่ออกจริงๆนะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดทําวัดเช้าทําวัดเย็นถึงจะไม่ได้มากก็ได้ อาอาหังสวากขาโตสุปฏิปัโนโนโมตรสักพุทธังธรรมังสังคงังทุติตาติและก็อิติปิโสภควากาเยยวาจาจากนั้นอลาหังสุขิโตโหมิโข้าปเจ้าโฉเป็นสุขคู้อื่นเป็นสุขได้เพียงแค่นี้ก็พอนะอันนี้ก็คือให้พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในพรรษานะียอย่าได้ขาดทดลองดูซิเป็นยังไงหลวงพ่อว่าเราเมื่อเรา ปฏิบัติได้แล้วนะ่ะจิตใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุกนะคณะทาตาโยมและก็พร้อมกันหลวงพ่อเคยแนะนำก่อนหน้านี้มีโยมเขามาพูดในฝั่งเออแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คิดแต่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเล้วผมไหว้พระทุกวันท่านอาจารย์ไม่ได้ขาดเลยออกพรรษาแล้วก็ผมก็ยังไหว้พระอยู่นะที่ท่านอาจารย์แนะนาบอกกล่าวนะมีประโยชน์เพราะตักได้กล่าวตือน ซึ่งกันและกันนี่แหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่าพูดดีกว่าไม่พูดนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะในพูดในแน่แนวได้หลายแนวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ย้ำอีกเหมือนกันถ้าหลวงพ่ออินพูดไปอย่าเพิ่งเชื่อนะให้นําไปกันกลองไตรตองดูก่อนจากนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติในเมื่อประพฤติปฏิบัติเราเห็นผลอ มีเหตุผลจริงตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว น, ะนั่นแหละจึงค่อยเชื่ อ, อเมื่อปฏิบัติเห็นผลแล้วค่อยเชื่ อ, อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไปฐานที่ใดผมหลว ง, งพ่อเขาบอกเนี่ยอันนี้คือเป็นพุทธเป็นพุทธวจนะหรือเป็นพุทธที่พระพุทธองค์ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวภาษารดบุตรเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูด แนะนำแนะนวไปนี่ก็ให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยกับผนะู้ที่เขาเคยมาศีนวัดมาอยู่วัดประจําเป็นผู้สูงอายุเนะ่ยแล้วขึ้นมาเนะี่ยควรจะปล่อยวางได้แล้วทางโลกควรจะมีศีลห้าดีไหยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เพียงแต่แนะแนวสําหรับพวกเราเอาตอนนี้ไปพระน์สงอนุโมทนาให้พรรับพรในทันทีนะ